เรื่องของนางภิกษุณีทั้งนั้นเลยซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่ได้รักษาแล้วละเพราะนั้นสิกขาบทก็เลยแสดงไว้สั้นๆในที่นีุู้ภาสิกขาเนี่ยประดับด้วยสิกขาบทสิโอวาดสิกขาบทเป็นที่แรกความว่าภิกษุใดอันสงไม่ได้สมมุติให้เป็นผู้สอนและกล่าวสอนนางภิกษณุณีด้วยครุธรรมแปดประการเป็นปจิตีทิกถุพร้อมด้วยองค์แปดดังนี้ คือเป็นผู้สัมมูลด้วยปาธิโมกข์สังวรหนึ่งต้องมีเสียดีก็ได้สองเป็นผู้สูดได้ยินได้ฟังมามากข้อที่สามปาธิโมกข์ทั้งสองมาด้วยดีคือตรงจําปาธิโมกข์ของพิษุพิษุนีได้ข้อที่สี่ก็คือมีเสียงเพราะส ล, ะสลับสร้อยนางพิษุนีจะได้ตั้งใจฟังข้อที่ห้าเป็นที่รักของนางพิษุนีโดยมากข้อที่หกมีกําลังพอจะสั่งสอนหรือว่าสอนนางพิษุนีได้ ข้อที่เจ็ดไม่เคยร่วงครุธรรมกับนางผู้เฉพาะแค่ผู้มีพระพาพยเจ้าผู้นุ่งผ้ากาสายะตั้งแต่ครั้งเป็นข้หัสคือไม่เคยร่วงเกินต่อกันแล้วก็ข้อที่แปดมีปัญษายี่สิบหรือว่าเกินยี่สิบขึ้นไปพร้อมด้วยองค์แปดนี้ควรสมมุติเป็นผู้สอนนางทิสุนีได้ต้องยี่สิบปัญษาขึ้นไปด้วยยี่สิบปัญษาหรือเกินขึ้นแล้วก็มีคุณสมบัติแปดอย่างนี้จึงจะสมควรสมมติได้ ส่วนครุธรรมแปดประการก็คือทิฏฐีแม้มีภาษาตั้งร้งอยพึงทํำอภิวาสเป็นต้นคือทําสามอิจกรรมแก่ทิฏฐุผู้อุปสมบทแม้ในวันนั้นมีเป็นข้อที่หนึ่งที่ทัวนี้ต้องประพฤติทุกรูปเลยไม่ว่าใครแม้กระทั่งพระนางมหาประชาปฏิคตมีเนี่ยก็ต้องกราบไหว้ต่อทิฏฐุเป็นพระรหันแล้วก็ต้องกราบไหว้ทิฏฐุปุตชนผู้บวชในวันนั้นข้อที่สองอย่าพึงอยู่ อย่าจำภาษาในอาวาสที่ไม่มีพิสุต้องมีพิสุอยู่ด้วยข้อที่สามพึงหวังการถามอุโบสถและการเข้าไปเพื่อโอวาสแต่พิสุสงทุกครึ่งเดือนครึ่งเดือนต้องไปถามอุโบสถแล้วก็ขอโอวาสจากพิกสุสงอยู่จำภาษาแล้วพึงปรณนาในสงสองฝ่ายต้องปรนนาทั้งในหมู่ของพิกสุตสง์แล้วก็ในทิสเนสงก็ต่อไปก็คือเมื่อต้องครุฑทำเพือบรรจุการิเศตแล้ว พึ่ประพฤติปักขามานัดในตรงสองฝ่ายจะปิดอบัตหรือไม่ปิดอบัตก็แล้วแต่ให้ไปอยู่มานัทครึ่งเดือนปักหนึ่งนะเรียกว่าปักขามานัทในตรงสองฝ่ายด้วยแล้วก็ข้อต่อไ ป, ปเพึ่อแสวงหาอุปสมบทแกนาสิคมานาผู้ศึกษาในธรรมหกสิ้นสองปีแล้วในสงสองฝ่ายก็คือจะต้องมีอุปชาจะต้องมีอุปชา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 ข้อที่เจ็ดก็อย่าพึงด่าบริภาษทิสุโดยปริยายอันไหนอันหนึ่งจะด่าบริภาษทิกสุไม่ได้ข้อที่แปดติดคลองคําของนาภิกษณีไม่ให้สอนภิกษุเปิดให้ภิกษุสอนภิกษุณีแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือห้ามสอนภิกษุแต่ว่าให้ภิกษุสอนได้แปดข้อนี้เนี่ยแต่ละข้อแต่ละข้อนาภิกษุณีพึงเคารพนับถืออย่าพึงล่วงจนตราเท่าชีวิตเลยอันนี้ พระบรุตรเจ้าให้นางประชาบดีคนมีบวช ด, ด้วยการให้รับครุธรรมแประการนี้นะเรียกว่าครุธรรมปฏิฆาณนะอุปสมบทาเป็นการบวช ด, ดวยกา ร, รครับครุธรรมแประการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดภิกษุที่ยังไม่ได้รับสมุติไปสั่งสอนภิกษุณีเข้าก็ต้องอบัตปฏจเจติข้อนี้นะมีสุบัติฐานเหมือนกับประโสธรรมะเหมือนกับการสอนอนุสัมบัญให้ว่าพร้อมกัน เกิดทางวาจาและก็วาจาจิตเป็นสิริยาโนสัญญาวิโมกข์อจิจิกะเป็นปันนติวัชระวชีกรรมอย่างเดียวแล้วก็มีจิตสามเวททางสาเพราะฉะนั้นจะเป็นกุศลอกุศลนับยกตะตั้งฐานก็ต้องอาบัดิข้อนี้ได้เหมือนกันในอัดถังค้าตัสิกขาบทที่สองความว่าเพียรตุแม่สงสมุติให้เป็นผู้สอนแล้วเมื่อพระอาทิตย์อัศรงคตแล้วและสอนนาทิตณีด้วยคตุธรรม หรือด้วยทำอื่นก็เป็นปารจิตติเหมือนกันสมุทฐานก็เหมือนกับปะดะโสธรรมสิกขาบทส่วนข้อที่สามอุปัสชยะสิกขาบทที่สามนี้ความว่าที่สุขเข้าไปยังที่อยู่ของนางพิกสณีแล้วก็กล่าวสอนนางพิสณีด้วยครุธรรมเป็นปารจิตติเว้นไว้แต่สมัยคือนางพิกสณีเป็นไข้มาขอครุธรรมมาฟังธรรมไม่ได้อันนี้ก็ยกเว้น สมุธฐานเหมือนกับผสมกถินสิกขาบทก็คือมีสมุธฐานสองกายวาจาอย่างหนึ่งแล้วก็กายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาเพราะว่าไปสอนโอสัญยาอิโมกเป็นอจิตตะกานติวัชกายกรรมและวจิกรรมจิตสามเวทนาสามเพราะว่ามีการไปสู่ตำนักของนาภิกษณุณีก็เลยเป็นกายกรรมกล่าวสอนก็เป็นวิจีกรรมข้อที่สี่อมิตรติคาบท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 แต่วาสกาบัตนี้เป็นทุกขเวทนาเท่านั้นถ้าจินนาทานนี้เป็นเวทนาสามในจีวรธานะสิขาบทที่ห้าความว่าภิกษุใดให้จีวรแม้ควรวิกับเป็นอย่างตำ่ำแกนางภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติเป็นปาจิตตีเป็นแวแต่แลกเปลี่ยนกันด้วยของเล็กน้อยก็ไม่เป็นอาบัติจีวรนที่ควรวิกับอย่างต่ำก็คือยาวแปดนิ้วคูณสี่นิ้วของพระสุคตยาว ศอกหนึ่งคูณคืบหนึ่งของช่างไม้อะนะยาวศอกกว้างคืบของช่างไม้แต่จะเป็นของพฏิทุคตก็แต่นิ้วคูณสี่นิ้วเพราะฉะนั้นถ้าไปให้จีวรแก่นาำพิษณีผู้ไม่ชญาตินี่ก็ถ้าไม่มีของแรกเปลี่ยนอบัติปัจยิติข้อนี้ตันนี้ก็ไม่มีอบัติแล้วว่าไม่มีนามพิษณีนะก็สมุทฐานก็เหมือนกับปฏิฆาณนะชีวรปปนะปฏิฆาณะรับจีวรเสมือนนามพิษณีนั่นเองสมุทฐานหกเป็นทั้งกิริยาและก็อกิริยา ก็คือทําการให้แล้วก็ไม่ทําการแลกเปลี่ยนถ้าแลกเปลี่ยนกับสาธรรมิกนี้ไม่เป็นอนันอตร์แลกเปลี่ยนเส้นหักนี้ถ้าไม่ใช้กัพย ว, วาจานี้ก็เป็นอัตร์โนสัญญาวิโมกขจิตกรรปณญติวัชย์กายกรมรมวจีกรรมจิตสามเวทนาสามในจีวรสิพนะสิกขาบทที่หกเย็บจีวอนเพื่อพลิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาตินีนะพลิกตุไดเย็บผ้าแห่งนางพิกษณีผู้ไม่ใช่ญาติเองหรือว่าใช้ให้ผู้อื่นเย็บให้ปดีเป็นปัญจตี บทฐานหกเหมือนกันเหียกคอยู่แล้วในสังวิธานสิกขาบทที่เจ็ดความว่าพิสุไดชักชวนนัดหมายเวลาและทางเดินกับนานพิสุนีแล้วเดินทางอันเดียวกันโดยที่สุดแมะสิ้นระหว่างบ้านอันหนึ่งกับชั่วไกยึนตกหรือว่าที่เที่ยวไปของไกเป็นปากจิตตีเว้นไว้แต่มีสมัยคือทางจะต้องไปด้วยพวกหมู่เคลียน เป็นทางประกอบด้วยความรังเกียจคือโอกาสของโจรตั้งอยู่เป็นต้นปรากฏอยู่และเป็นทางประกอบด้วยไภัยกล้าก็คือโจรฆ่ามนุษย์เห็นปรากฏอยู่มีสมัยดังนี้ก็ไม่เป็นอันผิดสมุทฐานในข้อนี้เรียกว่าสังวิธานะหรืออัตฐานะสมุทฐานมีสี่ก็คือกายอย่างหนึ่งกายวาจายอย่างหนึ่งกายาจิตอย่างหนึ่งกายวาจาจิตอย่างหนึ่ง เป็นจริยาเพราะมีการชักชวนกันไปแะ้วับโนสัญญาวิโมกขจิตกะเป็นปัญติวัชะกายกรรมจีกรรจิตสามเวทนาสามเลยอีกข้อหนึ่งนาวาพิรุหณะสิกขาบทที่แปดความว่าพิสุใดยชักชวนนัดหมายกับ น, นางพิสุณีขึ้นเรือลำเดียวกันไปเหนือน้ำหรือว่าไปตามน้ำจะขึ้นน้ำหรือว่าล่องน้าก็ตามเป็นปัญจิ ต, ตีเว้นไว้แต่ข้ามฟาก แต่ฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นโดยขวางาข้ามฟากไม่ไดสมุทฐานก็เหมือนกับสังวิธานสิกขาบาทที่แล้วคือสมุทฐานสี่นั่นเองชักชวนกันเดินทางข้อที่เก้าปริปารชนะสิกขาบทความว่าภิกษุใดรู้อยู่และฉันบินทบาทที่นาภิกษุณีชักชวนทายกให้จัดถวายเป็นปากิ ต, ตีเว้นไว้แต่กระหัตผู้ทายกเขาเริ่มจะถวายก่อน หรือเขาเป็นญาติและคนโปรนาแห่งทิกสุก็ไม่เป็นอาบัติคนนี้ก็เป็นเหมือนกับปฐมป ร, ราชิกติขาบทก็คือกายจิตอย่างเดียวมุษฐานเดียวกายจิตไปฉันดิณบาศมีอาการชันไม่ต้องเกี่ยวกับการพูดเป็นกิริยาสัญญาวิโมกสจิตกปะปันติวัชะแล้วก็กายกรรมนะมีจิตสามีนาสาม ว่าเป็นสุจิติกะเพราะมีคําว่ารู้อยู่แต่เป็นปนานติวัชชะมีโทษเพราะบัญญัติข้อที่สิบในระหูนิสัชชสิกขาบทความว่าทิกสุใดแต่ผู้เดียวไม่มีชายรู้ความอยู่ด้วยและสําเร็จการนั่งนอนในที่รับตากับด้วยนางทิกษุณีผู้เดียวไม่มีนางอื่นอยู่ด้วยเป็นปาจิตตีนั่งในที่รับกับทิกษุนี สมุทฐานก็เช่นเดียวกันกับอนิยตติค่บทที่สองนั่นเองก็คือมีสมุทฐาน 3, สามสมุทฐาน 3, สมาม น, นี่คืออตินานทานสมุทฐานกายจิตวาจาจิตกายวาจาจิตเป็นกิริยาสัญญาวิโมกขจัตกะโลกวชัชชะแล้วก็เป็นอวุโรไจิตมีเวทนาสองสำหรับระหนิสัชชะที่สุดใดแต่คู่เดียวไม่มีชายรู้ความอยู่ด้วยแล้วก็สําเร็จกันนั่งนอนในที่รับตากับด้วยนานทิพณีคู่เดียวก็ไม่มีนางอื่นอยู่ด้วยก็เป็นปัจจตี ในสิกขาบทที่สิบนี้พิกษุณีอุปสมบทในอุปตโตสองเป็นปาจิตติยวัตถุอุปสมบทในเอกโตสองเป็นทุกกขตะวัตถุเป็นทุกฏกติกขบททั้งสิบถ้าพิสุณีอุปสมบทแต่พิสุสองฝ่ายเดียวก็เป็นอัตถุกตอันนี้ก็เป็นตัตโยวัคโคจบบทที่สามต่อไปจะเป็นโพชนาวัตที่สี่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 และพี่ตูเป็นบ้าเป็นต้นเหล่านี้ไม่เป็นอาบัตเพราะว่าเขาให้จะจงคนทั่วไปก็มีมากหรือเฟือเนยนะพวกเจรกระปริพภาชก็มาฉันกันแต่พี่ตูไปฉันทุกวันทุกวันพวกพริพภาชกเหล่านั้นก็เลยหนีไปที่อื่นเลยไม่เอาเลยพะฉะนั้นก็ของเล็กน้อยตั้งไว้ไม่พอประโยชน์พวกนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะให้คนมากๆพี่ตู่ไปฉันวันที่สองที่สามกนไมเป็นไร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 ปัญติวัชะกายกรรมอย่างเดียวแล้วก็จิตสามเวทนาสามต่อไปจะเป็นคณะโพชนะสิกขาบทสิกขาบทที่สองความว่าเป็นปาจิตตีเพราะฉันคณะโพชนะก็คือฉันเป็นมูภิกสุแต่สี่รูปขึ้นไปชื่อว่าคณะถ้าทายกเขามาหาภิกษุสี่รูปแห่งเดียวกันหรือต่างๆกันนิมนต์ด้วยโพชนะห้าอย่าง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 ท่านจงให้ข้าวสุกเนื้อปลาแต่ที่เดียวกันหรือต่างๆกันและไปคราวเดียวกันหรือต่างๆกันแต่รับแต่ที่แห่งเดียวกันแนะดังนี้ก็คงเป็นคณะโภชนะเหมือนกันเพราะนั้นก็มีอาการสองอย่างคณะโภชนะซึ่งได้แต่ที่นิมนต์หรือวินยัตทั้งสองนั้นคือขานิมนต์ออกชื่ออาหารหรือว่าไปขอขอมาฉันร่วมกันสี่รูปขึ้นไปต้องอบับทั้งนั้น ในขณะรับพร้อมกันดังนั้นเป็นทุกกฎเกลืนกินเป็นปราชิตีทุกคํากลื่อนเลยเว้นไว้แต่ตมีสมัยเจ็บประการดังนี้ก็คือขีรานัสมัยคราวที่สู่เจ็บไข้คือแม่เท้าแตกเที่ยวกินดาบาไม่ได้จีวรธานสมัยคราวให้จีวครคาวถวายจีวรก็คือตั้งแต่วันมหาปรนารณาแล้วไปกะถินไม่ได้กลางก็ปลายฤดูฝนเดือนหนึ่งเขาไม่ได้กลางกะถินถ้าได้กลางก็ถินแล้วก็เลยฉะนั้นไปเป็นห้าเดือน จีวรก า, านรสมัยก็คราวที่ภิกษุทําจีวรตัดเย็บอยู่อัฐานคมนะสมัยคราวเดินทางไกลเพียงกึ่งโยต์8กิโลเมตรเมื่อจะไปก็พึงฉันได้ไปอยู่ตามทางก็พึงฉันได้มาถึงแล้วก็พึงฉันได้อีกนาวาที่รูหณะสมัยก็คราวที่ไปในเรือเดินทางในเรือเมื่อจะขึ้นเรือก็พึงฉันได้ขึ้นไปแล้วก็พึงฉันได้ลงจากเรือก็พึงฉันได้ถ้าเกิดเขาเลี้ยง หรือว่าขอในเรือเลยก็ได้เหมือนกันมหาสมัยคือคราวใหญ่คราวที่พิสูจประชุมกันใหญ่คือในที่ใดในการใดที่ถูกแต่สองรูปสามรูปพอเที่ยวบินทบาดเลี้ยงชีพได้ครั้นมาอีกหนึ่งรูปเป็นสี่รูปไม่พอเลี้ยงชีพกันอันนี้ก็ขอได้นะแล้วก็สมณพัฒนสมัยคราวพัดแห่งสมณะขอได้นี่หมายถึงว่าฉันคณะโพชนะได้ คราพัดแห่งสมณะคือนักบวชจําพวกใดจ๊ะพวกหนึ่งทําพัดนิมนติสุ ด, ด้วยก้าวสุขสมัยทั้งเจ็ดเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีฉันคณะโภชนะได้คือถ้ามีสมัยทั้งเจ็ดนี้ก็ฉันคณะโภชนะนี้ได้ไม่เป็นอาบัตด้วยอาการสองอย่า ง, งนะั่นแหละคือนิมนต์เอาเชื้ออาหารหรือว่าไปขอเข้ามาฉันรวมสี่รู้ขึ้นไป 5, ถ้ามีสมัยในคณะโภชนะนี้เป็นติกาปจิตี ถ้าไม่ใช่คณะโพชนะแต่สําคัญว่าเป็นคณะโภชนะหรือว่าสงสัยอยู่ก็เป็นทุกกฎไม่ใช่คณะโภชนะสําคัญว่าเป็นคณะโภชนะหรือแต่สองสามรูปรัฐแห่งเดียวกันฉันหรือมาทเที่ยวบินธบาตแล้วมาฉันร่วมกันแห่งเดียวกันไปบินธบาต ท, ที่สูงมาก ร, รูปแต่ไปบินธบาตแล้วก็มาร่วมกับฉันแห่งเดียวกันก็ไม่เป็นอันบาท อันหนึ่งในนิจภัท์และสลาภัตธเป็นต้นและในของฉันอื่นเว้นจากโพชนะห้าและที่จุบ้าเป็นต้นเหล่านี้เป็นอนาบัติคือไม่เป็นอนาบัตินั่นเองสิขาบทข้อนี้เป็นอะนาณติกะใช้ก็หนื่นเฟชันนี้ก็ไม่เป็นอนาบัติสำหรับคนใช้นะคนฉันก็เป็นมีองค์บสามก็คือคณะโภชนะอย่างหนึ่งไม่มีสมัยอย่างหนึ่งแล้วก็คืนกินอย่างหนึ่งองคาบสามนี้พร้อมเมื่อไหร่ก็เป็นอนบัติไตรจิตตี สมุดฐาวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับเอลกรโรมะทิขาบทดังกล่าวแล้วในปฐมสาสาิญาติขาบทนั้นสมุทฐานสองกายอย่างหนึ่งกายจิตอย่างหนึ่งก็ เ, เป็นอจิตกะนาโนสัญญาวิโมกขิริยาเป็นกายกรรมจิตสามเวทนาสามต่อไปปรารงประโรชนะทิขาบทที่สามในโชนะวัคนี้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 มีสมัยสามอย่างก็คือกีฬานาสมัยชาวเจ็บไข้จีวระานาสมัยชาวที่เขาถวายจีวรจีวระาราสมัยชาวที่ทําจีวรดังกล่าวแล้วในคณะโภชนะสมัยเหล่านี้อันใดอันหนึ่งมีถ้ามีนะไม่เป็นอบดับคือฉันปรัมปราโภชนะได้ในปรัมปราโภชนะเป็นติกะปาจิตติไม่ใช่ปรัมปรโภชนะหรือว่าสงสัยอยู่เป็นทุกข์รู้ว่าไม่ใช่ปรัมปราโภชนะ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 หรือว่าไม่หังพัตตะป จ, จาสังอิทธันนามัสสะวิกเตมิดังนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ฉันโภชนะที่ได้ในตระกูลที่นิมนต์ที่หลังก่อนได้ไม่เป็นอบัตก็คือเขานิมนต์มีพัดอยู่แล้วเนี่ยก็สลัดให้แก่สาธมิทห้าท้าเจ้าขอสลัดหรือว่าขอให้พัดที่มีหวังว่าจะได้นั้นแกท่านหรือว่าแกผู้ที่มีชื่อนั้นชื่อนี้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 หรือทายกเขานิมนที่สุกล่าวว่าเราจะรับพิกษาดังนี้ก็ไม่เป็นอบัตก็จะนิมนต์ขีต้าก็แล้วแต่นะบอกว่าจะรับพิกษาอันนี้ไปรับมาแล้วจะฉันใครก่อนก็ได้ในนิจพัตน์และสรารกพัฒนเป็นต้นหรือในของฉันอื่นยกโภชนะห้าเสียหรือพิกสุบ้านเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอบัตที่ข้าพ้อนี้ก็เป็นอะนานติกะก็หมายถึงใช้ให้คนอื่นไปฉันปรามประโภชนะนี่ก็ตัวเองก็ไม่ต้องอบัติ คนชันก็เป็นก็มีองคศาก็คือโภชนะของผู้อื่นอาที่สองก็ไม่มีสมัยอาที่สามก็เกินกินโภชนะของผู้อื่นนี่มาถึงป ร, รัมปณาโภชนาะก็แปลว่าเป็นปรัมปณาโภชนะอายถึงโพชระที่หลังนั่นเองไม่มีสมัยแล้วก็เกินกินพร้อมด้วยองศานี้จึงเป็นปาริจิตีสมมติทางวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมกตินนะสิกขาบท แปลงแก่สิกขาบทนี้เป็นกิริยากิริยะต้องเพราะทําแล้วก็ไม่ทําด้วยปรถมกสิทิสิกขาบทก็มีสุิฐานสอง 2, ก็คือกายวาจากับกายวาจาจิตกิริยาก็ได้แก่อะไรได้แก่ฉั น, นชนะโพชนะอกิริยาก็คือไม่วิกับให้แก่ศาสตมิตรคำนี้ก็เป็นอจิตตกาโนสัญญาวิโมกแล้วก็เป็นทั้งกายกรรมวิจิกรรมเพราะว่าเป็นกายวาจากับกายวาจ า, า, า จ, าาาจาิตมีจิตสามเวทนาสาม ต่อไปสิกขาบทที่สี่ชื่อว่ากาณามาตาสิกขาบทความว่าตระกูลเขานําขนมซึ่งเขาตกแต่งไว้เพื่อจะส่งลูกสาวไปสู่ตระกูลสามีหรือเขานําข้าวศัตรตูที่เขาตกแต่งไว้เพื่อจะเป็นสเสบียงเดินทางมาปรนนตามประสงค์แต่พิกษุผู้เข้าไปบิณฑบาตพิสุพึงรับแต่เพียงเต็มสองบาทหรือว่าสามบาทเสมอแต่เพียงเหลี่ยมปาข้างล่าง ถ้าเธอรับบาตรที่สามให้พูนเป็นจอมขึ้นไปเป็นปาจิตตีนับด้วยขนมและข้าวสตุซึ่งตั้งอยู่บนเหลี่ยมปากเหลี่ยมปากบาตรข้างล่างคือขอบล่างนั่นเองและพิจูดใดรับแล้วสองบาทเธอองค์นั้นออกมาเห็นพิจูุข้างนอกพึงบอกว่าในที่นั้นเรารับสองบาทแล้วท่านพึงรับแต่บาทหนึ่งและพิจูดนั้นเห็นพิจูุอื่นอีกก็พึงบอกว่า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 ไม่อยากแบ่งใครก็ไม่ต้องแบ่งอันนี้ก็เป็นสิกขาบทที่ 4. สี่ถูกฐานก็เดี๋ยวไว้ตอพรุ่งนี้ค็แล้กันวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขออนุโมทนาแด่ท่านทั้งหลายที่มีศรัทธาเริ่มใสในพระวินัยแล้วก็คอยประพฤติตามพระวินยัยอันเป็นปัจจิมกสังวรเพื่อเพื่ อ, อกูลแ ก, ก่การอบรมสัจทินรีอันเป็นไปในศีลจะได้อบรมอินสีห้าวิริยะสมาธิสติอันเป็นสมาธิสิกขาเป็นจิตตสิกขา แล้วก็จะได้เกืดอกูลแก่ปัญญาสุขาเมื่อตรจารยาประชุมพร้อมเพรียงกันก็มีโอกาสในการบรรลุพระอริยบุคคลขอให้ได้ตัสรรุรอรยิยทัศธรรมด้วยการเน้นๆช้าดิเทินสาธุสาธุสาธุ